ส ป, ปัจจะปัจญิยะสองสังขยาวานสุทนัามรยห59น เ, นเ yes หต right. ุปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยมีสามวาระน่ปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระ นวิปากัปัจจัยมีสามวาระนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสวาระนาเหตุตุทุกกในัย360ินาอธิปฏิปัจจัยกับนาเหตุตุปัจจัยมีสองวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับนาเหตุตุปัจจัยมีสองวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระณอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนาชานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัย กับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งมีสองวาระติกไนนปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระนอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระนกรรมมปัจจัย นเหตุุปัจจัยและวนอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากับปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยและวนอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมขะปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยและวนอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยและวนอธิปติปัจจัยมีสองวาระจตุกนัย ณปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุตปฏจปใจณอธิปติปัจจัยและณปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระณอาเสวัณฑปใจกับละมีสองวาระณกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสองวาระณมัคคะปัจกับละมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละ มีสองวาระละชักกนัยนกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนัอธิปติปัจจัยนัปุเรชาตปัจจัยนัปัจฉาชาตปัจจัยและนัอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสองวาระนัมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระสัตตกนัย นวิปากัปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยนาที่ปฏิปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยและนากรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนามะขะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละนวกนัย นวิปยุตตะปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยนาอธิปติปัจจัยละนากรรมปัจจัยและนาวิปากปัจจัยนามขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอธิปติทุกขไนสามยหกสนาเหตุตุปปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสองวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสาวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสวาระณอาเสวนปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสวาระนกรรมมปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสวาระนชาณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนมกปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีสาวาระติกนัยนาปุเรชาตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาปชาชาตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ นักกรมปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากับปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระนัชานปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระมุงเล็บย่อนาปุเรชาตทุกกไนสายหกสนเหตุุปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนาธิปติปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีสาวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ น้อาเสวนปัจจ si ัยกับน well ้าปูเรชาตปัจจัยมีสามวาระน้กรรมปัจจัยกับน้ปูเรชาตปัจจัยมีสามวาระน้วิปากปัจจัยกับน้าปูเรชาตปัจจัยมีสามวาระน้มรคปัจจัยกับน้าปูเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระน้วิปยุตปัจจัยกับน้าปูเรชาตปัจจัยมีสามวาระติกนัย นอธิปฏิปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอาเสวะนปัจจัยกับนับปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระกัมณักรรมมัปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปากาปจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนมัปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยและนเหตุถูกปจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุจตาปจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระในบุญเล็บย่อนปัจฉาชาตะและนอาเสวนทุกไนัยหกส นัเหตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยละนัอเสวนปัจจัยมีสองวาระนัอธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระ นัชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัมขปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระติกไนณัอธิปติปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระณปุเรชาตปัจจัยกับณาเสวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระ นัป ok, ัจฉาชาถปัจจัยกับนัอาเสวนปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระนักรรมปัจใจกับนับอาเสวนปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยกับนัอาเสวนปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระนัชานปัจจัยกับนัอาเสวนปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นมมะปัจจัยกับนอาเสวะปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนอาเสวะปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บย่อนกกรรมมทุกกไนยสามยหกสนเหตุปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปฏิปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีสวาระ นาปุเรชาตปัจจัยก like. ับนกรรมมปัจจ <nelle samp hari> like ัยมีสาวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยมีสาวาระณอาเสวนปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยมีสาวาระนวิปากปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยมีสวาระนมัปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตปัจจัยกับนกรมมปัจจัยมีสาวาระติกนัย นาอธิปต <kiem> ิปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยและนาเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ นามะขะปัจจัยกับนกรรมมะปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับนกรรมมะปัจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวึงเล็บย่อนวิปากับทุกขกนในสยหกสนาเหตุปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสองวาระนาอธิปติปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสามวาระ นาปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจ no, no, ัยมีสวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสาวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสวาระนากรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสาวาระนมกปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสวาระละ สัตตกนยัยนะกรร ม, มปัจจัยกับนวิปากปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอธิปติปัจจัยน่ะปูเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยและนะอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนักมขปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัวิปยุตตาปัจจัยกับล ะ, ม, ะ, นะ ะ, บละมีสองวาระในมุงเด็บยอ่อนะัชานะทุกกะนยัย366 นะเหตุปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอธิปัติปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจชาชาตะปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอาเสวนปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมขะปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระละฉะกไนนัมขะปัจจัยกับนชานปัจจัยนะเหตุปัจจัย ณอธิปฏิปัจจัยนปัจฉาตาปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคทุกนายร้อยหกสิบเจ็ดเหตุปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปฏิปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตาปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัปปัชชาตปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนกกรรมมปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชาตปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนวิปยุตตาทุกข์ใน สาม้อกสิปดนเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ นักกรมปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยมีสวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยมีมีหนึ่งวาระติกนัยนอธิปฏิปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีสองวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีสองวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนะเหตุ rab, ma nah ุปัจจัยมีสองวาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ นามัคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระละนวกตัยนนามัปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอธิปติปัจจัยน่ะปูเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนะอาเสวณปัจจัยนะกรรมปัจจัยและนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจจนิยะจบ สามปัจญานุโลมปัจจนี่ยเหตุทุกกันในสามรอยหกสิบเนอธิป <strate> ติปัจกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนัอาเสวณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนักรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ นวิปากับปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระติกนัยณอธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและและอารามณปัจจัยมีสามวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับเพทุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับเพทุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับเพทุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับเพทุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสาวาระนวิปยุตปัจจัยกับเพทุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระ จตุกนัยนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยและอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตปัจจัยกับละมีสามวาระละ เอกาทสกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกเพทุปัจจัยอารามนาปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตระปัจใจสมานันตระปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสาวาระ นกรร ม, มปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปา ก, กปัจจัยกับละมีสามวาระทวาทศ ก, กนัยในวงเล็บสาเสวนานปัจฉาชาตปัจจัยกับเพรตุปัจจัยอารามณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจั ย, ม, ม, ม, ยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระ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 เตระสกนัยในมูเล็บสวิปากะนปัจฉาชาตปัจจัยกับเพทุปัจจัยอารามณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระเทวีสกนัยในมูลเล็บสวิปากะนปัจฉาชาตปัจจัยกับเพทุปัจจัย อารัมมณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหาร ป, ปัจจัยและอวิชชต ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระณอ า, าเสวณปัจจัยกับลมีหนึ่งวาระอารัมมณทุกขไนสามร้อยเจ็นเหตุปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมีสองวาระ นัตถิปติปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระนัอาศิวนปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระนักรรมมปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระนัวิปากปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระ นัชานปัจจัยกับอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคขปัจจัยกับอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับอารามานปัจจัยมีสามวาระติกนัยนอธิปติปัจจัยกับอารามานปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสาวาระในบุญเล็บย่ออธิปติทุกกนัย371 นาปุเรชาติปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระนกรรมมปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระนวิปยุติปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระติดกนัยเป็นต้น กับอธิปฏิปัจจัยและเหตุปัจจัยในวงเล็บย่ออนันตรปัจจัยเป็นต้นตามร้อเจ็ิบสองกับอนันตรปัจจัยสมานันตรปัจจัยสหาชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิตยะปัจจัยและอุปนิตยะปัจจัยในวงเล็บพึงขยายให้พิดารเหมือนวาระที่มีอารามณปัจจัยเป็นมูล ปุเรชาตทุกก e ันในสร้อยเจ็นเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระในอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจจาชาตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระในอาเสวนปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ นวิปากับปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนชานปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมกปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัยนาธิปฏิปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระ นอาเสวนปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากับปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในมือเล็บย่ออาเสวนทุกขนัย374นเหตุปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระ นาอธิปติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนาปูเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนาปัจชชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนามัคคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระติกไนนาอธิปฏิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระ กกรรมมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระนวิปปากปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อกรรมมทุกข์กันร้อยเจนเหตุุปัจจัยกับกรรมมปัจจัยมีสองวาระ นัตถิปติปัจจัยกับกรรมมะปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับกรรมมะปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับกรรมมะปัจจัยมีสามวาระนัอาเสวนปัจจัยกับกรรมมะปัจจัยมีสามวาระนัวิปากปัจจัยกับกรรมมะปัจจัยมีสามวาระนัชาณปัจจัยกับกรรมมะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นามัคปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสวาระติดกันัยหน้าที่ปฏิปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระในวูลเล็บย่อวิปากทุกข์กันใย376ดนเหตุุปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนอธิปติปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นปุเรชาตปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชานปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตต์ปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัย นอธิปฏิปฏัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บยอ่ออาหารทุกก น, นัย377ดเนาเหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสองวาระณนะอธิปฏิปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระณนะปุเรชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสวาระนอาเสวนปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสวาระนกรรมมปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสวาระนชานปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระติกนัยณอธิปฏิปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในวุงเล็บย่ออินทรียะทุกกนัย378ดในเหตุปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสองวาระณอธิปฏิปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระ นัปุเรชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนปัจจาราตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนวิปากับปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนัชาณปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระ นามคปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจกกปปจัยกับอินทรียปัจกก ana, ปจัยมีสวาระติกกไนนาทิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสวาระในมือเล็บย่อชาณทุกไนัย379ดสิเนเหตุตุปัจจัยกับชาณปัจจัยมีสองวาระ นาอธิปฏิปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนากรรมมปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระ นัมขปจใจกับชานัปจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตจปัจจัยกับชานัปจัยมีสามวาระติกนัยณอธิปฏิปัจจัยกับชานัปจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อมคทุกไนัย380สในเหตุปัจจัยกับมคปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัตถิปติปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระนัปปัาชาตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสาวาระนัอเสวนปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระนักรรมปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระนัวิปากปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระ นวิปยุตตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีสามวาระติกนันนาอธิปติปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุุกปัจจัยมีสามวาระในวุงเล็บย่อสมปยุตตทุกกนัรย38ดอในเหตุุกปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระนาอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ นภูเรชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนปัจจาชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสาวาระนกรรมมปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนชาณปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นามคปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีอสาวาระติกไนนาอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระในพุงเล็บย่อวิปยุตตะทุกไนัย382สนเหตุุปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระ นักอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระนักปูเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนกกรมปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยมีสาวาระนวิปากปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ นาชานปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระนมคปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระติกัยนอธิปฏิปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตาปัจัยและเหตุทุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนอาสวนปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมมปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระจะตกกนัย น่อธิปฏิปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระนัุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนักรรมมปัจจัยกับละมีสามวาระนัวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระ ละทวาทัสกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยอารมณปัจใจและปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนกรรมมปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระละ เตวีสกนัยในมงเล็บสาเสวนาหน้าปัดชาตปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยเหตุปัจใจและปุเรชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจใจและอวิขตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสาวาระเตวีสกนัยในมึงเล็บสวิปากะ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 กับอธิปัจจัยนัิปัจจัยวิคตาปัจจัยและอวิคตาปัจจัยในมูลเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีอารามณปัจจัยเป็นมูลอนุโลมปัจญจิยะจบ 4. ปัจญยปัจญจิยานุโลมนาเหตุทุกข์ในัยแปดส อารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระสมาันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ อุปนิสตญาปัจจัยกับนเหตุทุตัจจัยมีสองวาระนับปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุทุตัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุทุตัจจัยมีสองวาระกามปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุทุตัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุทุตัจจัยมีสองวาระ อินทรีย์ปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระชานปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสั hosts, มปยุตตะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาทิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระ วิคตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระติกนัยอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยและนอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระละอวิคตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บ ทุกป up, ide, god, st, e nah ัจจัยมีปัจจัยละสองวาระจตุกนัยอารามณปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยณอธิปติปัจจัยและณาปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับละมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับละมีสองวาระสาชาตปัจจัยกับละมีสองวาระ อัญญาัญญปัจจัยกับละมีสองวาระนิตยปัจจัยกับละมีสองวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีสองวาระ อินทร y, acy, anden, mm ีย hmm. ปัจจ mm ัย hmm. ก mm ับละมีสองวาระชานปัจจัยกับละมีสองวาระมรรคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีสองวาระนาฏปัจจัยกับละมีสองวาระวิกตปัจจัยกับละ มีสองวาระอวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระละสัตตกนัยอารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจใจนาอธิปฏิปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจใจนาอาเสวนปัจจัยและนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ สมานันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาะฏิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิกตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระละ ทศกัยอารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยนาอธิปติปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยนากรรมมปัจจัยนาวิปากปัจจัยนามัคคปัจจัยและนาวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ สมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระชาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิทยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บนวิปากับปัจจัยนมัคคปัจจัยและนวิปยุตตะปัจจัย เหมือนกับนกกรรมมัตตปัจใจณนะอธิปฏิทุกไกสามยแปดหเห mm. ตุปัจจัยกับณนอะธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยกับณนอะธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละอวิคตปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระติกไกอารมณปัจจัย กับณอธิปฏิปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระละอวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บพึงทำวาระที่มีณอธิปฏิปัจจัยเป็นมูลให้เหมือนกับวาระที่มีณเหตุปัจจัยเป็นมูลโดยยึดณนะเหตุปัจจัยเป็นหลักนะปุเรชาตทุกไนัยแปดสบห เหตุปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยกับนภูเรชาตปัจจัยมีสามวาระละอสเสวนปัจจัยกับนภูเรชาตปัจจัยมีสามวาระกามะปัจจัยกับนภูเรชาตปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนภูเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาทุกบทในบท ที่ไม่ได้เขียนไว้มีสามวาระเหล่านี้ในวาระที่มีนปุเรชาตปัจจัยเป็นมูลผู้รู้พึงยุตินเหตุปัจจัยเป็นหลักแล้วเพิ่มหนึ่งวาระในอาเสวนปัจจัยและมรคปัจจัยส่วนที่เหลือเหมือนกับนเหตุปัจจัยพึงทำน่ะปัจฉาชาตปัใจจัยให้บริบูรณ์เหมือนกับณอธิปฏิปัจจัยนะกรรมทุกข์กนัย สามอยแปดสิบเจ็ดเหตุปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยมีสามวาระอารามะนปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสามวาระสมานันตรปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสามวาระ อัญญามัญญาปัจัยกับนกกรมปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนกกรมปัจจัยมีสามวาระอุเสวาปัจจัยกับนกกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับนกกรมปัจจัยมีสามวาระ อินทรียปัจจัยก mm <esti> ับ <Dev> น <tasting> ักกรรมปัจจ <zers> ัยมีสามวาระชานะปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนักกรมปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยมีสามวาระ วิคตปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสามวาระติกนัยอารามมณปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสมานันตรปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ สหชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหน <Realm> ึ่งวาระอัญญามัญญะปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสียปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนะเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสียปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาเสวะนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหน um ึ่งวาระอาหารปัจจัยก UM ับนกรรมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับนกรรมมปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิปยุตตาปัจจัยกับนกกรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิขตตปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิขตตปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละปัญจกนัย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 อุปนิเตียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินเริยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสำประโยชน์ปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ อวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บพึงขยายบทที่เหลือให้พิจารโดยอุบายนี้ยอ่อนวิปากุตุกไนัยแปดสิบเหตุ ป, ปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บยอ่อพึงเพิ่มให้บริบูรณ์อวิคตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสามวาระ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 อัญญามัญญะปัจจัยกับละมีสองวาระนิตยะปัจจัยกับละมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับละมีสองวาระ ชานปัจจัยกับละมีสองวาระมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระอัิปัจจัยกับละมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับละมีสองวาระวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระอวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระ ในวงเล็บวาระที่มีนวิปากัปัจจัยเป็นมูลมีข้อแตกต่างกันเท่านี้ส่วนที่เหลือเหมือนกับในที่มีนเหตุปัจจัยเป็นมูลนาชาณทุกข์นัยแปดอารามณปัจจัยกับนาชานาปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยกับนาชานปปัจจัยมีหนึ่งวาระ สมานันตะปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระสหะชาตะปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสัยปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสตยปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนาชานปัจจัย มีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอินเทริยะปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัตถิปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตัปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตัปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระละสัตตกนัยอารามณปัจจัยกับนชานปัจใจนัเหตุปัจใจนัอธิปติปัจจัยปปัชฌาชาปัจใจนัอาเสวนปัจจัยและนัมคปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 วิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคทุกกนัย390อารามณปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสมานันตรปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระ อัญญามัญญาปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิทยญาปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวณปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอินตริยปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระชานปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาติปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิคตตัปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตตัปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระละปัญจกนัยอารมณปัจจัยกับนมัคคปัจจัยนัเหตุปัจจัยนัอธิปติปัจจัยและนัปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัย กับละมีหนึ่งวาระสมาันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิตยะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสำปยุต์ปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปประยุ์ปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ อวิกระทปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฉักกนัยเป็นต้นกับนามขปัจจัยและนาเหตุปัจจัยในมุงเล็บย่อนวิปยุตทะทุกกนัย391เหตุปัจจัยกับนวิปยุตทะปัจจัยมีสามวาระอารามานปัจจัยกับนวิปยุตทะปัจจัยมีสามวาระ อธิปฏ an an Any ิปจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจ <yemek> จัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสมนันตรัปจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับนวิปยุตตาปจัยมีสามวาระ อุปน ah ah ิสยปัจจ ah ัยกับนวิปย <en> <mentality> ุตตปัจจัยมีสวาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสวาระกรรมมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสวาระวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสวาระอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสวาระ ชาปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสาวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสาวาระนัตถิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสาวาระวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ อวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระติกไนอารามานปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ สหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุตุปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีสองวาระ อาเสวนปัจจัยกับนาวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกัมมปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอินตรียปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระชานปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ มัค<ก>ค <packaging ơi, S 3> ับปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคคับปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมี2อวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีสองวาระ นาถิปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิกตาปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีสองวาระอวิกตาปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระละนวกนัยอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยนาเหตุปัจจัยนอธิปฏิปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัย นปัจฉาชาตะปัจใจในมงเล็บแม่วาระที่มีนอาเสวนะปัจใจเป็นมูลก็เหมือนกับวาระที่มีนเหตุปัจใจเป็นมูลนกะกรรมปัจใจนยะณวิปากะปัจใจและนะมัคคะปัจใจในมงเล็บมูลทั้งสามนี้เป็นเหมือนกับมูลเดียวกันมีหนึ่งวาระอนันตระปัจใจเหมือนกันข้างต้นละมีหนึ่งวาระ